บุ๊ก <44. S> 2 44สุักชติรไปเที่ยวกลางคืนเดที่นี่มีดิสโกเทกไหมทยูที่นี่มีไนท์クบไหม ที่นี่มีผับไหมที่นี่มีผับไหมยันนี้ที่โรงละครมีอะไรยันนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรยันนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรยันนี้โทรทัศน์มีอะไรดู ส т о с ที有有่วันน right? the the the ี้เย็ а เย็นยังไม่ได้แสดงอยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับย с งมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไห ผมต้องการนั่งข้างหลังผมต้องการนั่งตรงกลางผมต้องการนั่งข้างหน้าคุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม การแสดงเริ่มเมื่อไหร่คุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหมทถานีม้มีสนามกอล์ฟไหมทถานีมมม้มีสนามเทนนิสไหม ที่อยู т สุดทุกบัดชเปลตโซกัดเล่ห์หุ่นยูเทนแถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหมทีย ц ่สุ т ทุกบัดชเครื่องที